1. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อไปให้ถึงบ้านที่แท้จริงซึ่งปราศจากความปรุงแต่งสุขวงเล็บมหาศาลวงเล็บปิดสงบไม่ต้องเกิดมีคันและทุกข์อีกเรียกว่านิพพานวงเล็บแต่ถ้ายังไม่สามารถถึงนิพพานได้ในชาตินี้ก็ต้องให้พบทางเดินเพื่อถึงนิพพานได้ในชาติต่อไปวงเล็บปิด